คำสัญญาที่ไม่เป็นสัญญากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อญี่ปุ่นยังเป็นประเทศใหม่ที่นั่นยังมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งพร้อมกับชายที่ชื่อฮิสชิเขาเป็นชายหนุ่มที่ใจดีแต่ชีวิตไม่ยุติธรรมกับเขามาโดยตลอดเขาจึงยากจนมากเขาต้องทำงานหนักเพื่อหาเช้ากินข้ามและในหน้าหนาว เขาต้องหางานเล็กๆน้อยๆทาและบางครั้งเขาก็จะต้องอดอยากอย่างแสนสาหัสวันหนึ่งเมื่อเขาออกไปเดินเล่นข้างนอกกลางลมหนาวนั้นเขาพบกับนกกระเรียนตัวหนึ่งนั่นอะไรนะอ้อนกกระเรียนวันนี้เราโชคดีแน่ๆเราจะเอามันไปทาซุปกินอร่อยแน่นอนเมื่อเขามองเข้าไปใกล้กล เขาพบานกกระเรียนตัวนั้นสวยงามมากความงามของมันทำให้เข้าใจอ่อนเราเราเอามาันไปทาซุปไม่ได้มันสวยมากแล้วนี่อะไรนะปีกมันได้รับบาดเจ็บนี่อเราจะทำยังไงดีเขาล้สมุนไพรออกมาจากกระเป๋าเพื่อเอามาทาให้กับนกกระเรียนมันเป็นยาที่ทำจากสมุนไพรหลายชนิดในท้องที่นั้นเอาล่ะกระเรียนน้อยมารักษาปีกให้เจ้ากัน โอ้เดีย๋ยวเพิ่งขยับนะยานี้มันอาจจะแสบๆหน่อยแต่มันช่วยเจ้าได้แน่นอนหลังจากนั้นกรเรีเนก็เริ่มกระพือปีกได้มันไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปและมันก็มองเขาอย่างผู้มีพระคุณฮิสติยิ้มให้กับมันมันกระพือปีกแล้วบินจากไปวันนี้คงต้องหิวอีกแล้วสินะกลับบ้านดีกว่าคืนนั้น ขณะที่ฮิซชิกำลังนอนลมก็พัดไปเรื่อยๆไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูอออะไรเนี่ยคงเป็นเสียงลมแล้วมั้งแต่ว่าเสียงเคาะก็ยังไม่ยอมหยุดและดังขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ฮิซชิเริ่มกลัวแล้วแต่ว่าเสียงนี้มันไม่เหมือนเสียงลมเลยนะถ้าเกิดเป็นโจอล่ะไปดูหน่อยดีกว่า นั่นนั่นใครเนี่ยฉันถามว่านั่นใครก็ได้งั้นเปิดดูดีกว่าเมื่อเขาเปิดประตูเขาตกใจอย่างมากเมื่อเห็นสาวสวยคนหนึ่งยืนอยู่ในความหนาวเย็นเธอวางกระเป๋าใบาใหญ่ที่พกมาไว้ข้างๆตัวโอ้ไม่นะเอบคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเข้ามาข้างในก่อนซิหญิงคนนั้นไม่ส่งเสียงอะไร เธหมสติในอ้อมแขนของเขาอ้อตัวเธอหนาวราวกับน้ําแข็งเธอต้องหนาวมากแน่ๆเดี๋ยวค่อยไปเก็บกระเป๋าเอาเอก็แล้วกันฮิซิชิจึงอุ้มเธอไปที่ห้องพร้อมกับมหมผ้าหมให้กับเธอเอาล่ะตอนนี้คุณอุ่นแล้วนะเฮ้ทั้งหนาวทั้งหิวแถมยังมีคนแปลกหน้าแสนสวยในบ้านวันนี้มันแปลกจริงๆเลยเฮย้ฝันดี หลังจากนั้นเขาก็เผลอหลับไปต่อหน้าฝ่ายที่กำลังมอดลงเช้าวันต่อมาเขาเห็นหญิงคนนั้นนั่งค้างเขาสวัสดีฉันชื่อซูริขอโทษนะคะที่อยู่ดีๆเมื่อคือนก็มารบกวนคุณอ๋อเออไม่เป็นไรหรอกคุณล่ะ เ, เป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนอนหลับหรือเปล่าฉันสบายดีและฉันก็หลับสบายมากด้วยล่ะขอบคุณนะ เออช่วยบอกผมหน่อยสิว่าคุณมาจากไหนคือว่าฉันฉันไม่มีบ้านน่ะฉันเดินทางเร่รอดไปเรื่อยในอากาศหนาวจะมาเห็นบ้านของคุณฉันไม่มีที่ไปงั้นคุณอยู่ที่นี่จนกว่าที่จะมีที่ให้ไปก็ได้นะเออผมอยากจะเอาอะไรมาให้กินแต่ว่าก็เห็นสภาพบ้านผมใช่ไหมล่ะอเออเออไม่เป็นไรคะ่ะ กระเป๋าที่ฉันเอามาเมื่อวานนี้เนะี่ยมีข้าวเต็มเลยมันอยู่ไหนนะผมวางมันไว้เอ่อมุมห้องตรงนั้นนะสึรุเอาข้าวมาหุงให้เข้าหม้อใหญ่เพื่อจะได้กินด้วยกันเพราะหิซชิไม่ได้กินอะไรมาหลายวันเขาจะกินข้าวหมดอย่างรวดเร็ว ม, มันอร่อยมากเลยอ่อ <laughs> ฉันหยู่ถอดได้ใช่ไหมล่ะคะ แน่นอนสิหลายวันผ่านไปทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเมื่อพวกเขาได้รู้จักกันมากขึ้นฮิซิชก็ตกหลุมรักซูรุแต่ว่าฉันจะทำยังไงได้ละ่ะซูรุไม่มีทางแต่งงานกับฉันหรอกแต่สรภาพไปก็ไม่เสียหายนี่เออซูรุผมมีอะไรจะพูดกับคุณจะมีโอกาสไหม ที่คุณจะแต่งงานกับผู้ชายอย่างผมเอค่ะแต่ผมเ่อผมเป็นคนจนนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุณว่าไงนะคุณเพิ่งตกลงใช่ไหมใช่ค่ะฉันเห็นว่าคุณเออเป็นสุภาพบุรุษนะฉันยินดีที่จะแต่งงานกับคุณอย่างแน่นอนจากวันนั้นสซรุและฮิสชิก็อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาไม่นานฤดูหนาวก็ผ่านไปข้าวที่สซรุเอามาด้วยก็หมด ฮิสชิญญเริ่มกลับไปทํางานแต่เขาก็ได้ค่าแรงน้อยเขาเศร้ามากออที่รักไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะให้เสื้อผ้าสวยๆของฉันไปขายที่ตลาดล่ะแล้วเราจะเอาเสื้อผ้าจากไหนล่ะฉันก็จะทอเองแต่มันจะต้องใช้เวลาห้าวันนะฉันจะเก็บตัวทอผ้าให้กับคุณแต่คุณต้องสัญญาว่าจะไม่เข้าห้องมาฉันจะออกมาก็ต่อเมื่อฉันทอเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้นน่ะ ฮิสชิสับสนมากแต่ก็ยอมตกลงอย่างโดยดีวันนั้นสุรุจึงเข้าไปในห้องแล้วขังตัวเองไว้อยู่ห้าวันฮิสชิไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาได้แต่รออย่างอดทนให้สรุกลับออกมาเมื่อถึงวันสุดท้ายสรุออกมาพร้อมกับผ้าสวยที่สุดที่เขาเคยเห็นมันเป็นผ้าปะลายดอกไม้กับนกที่สวยงามมากเราวับทาไว้สวมสาหรับราชินี มันโูสวยงามเรียบหรูมากคุณทําได้ยังไงที่รักมันเป็นความลับเอาผ้านี่ไปขายเถอะนะคะฮิสชิจึงเอาผ้าเอาไปขายเมื่อเขากลับมาบ้านเขาอารมณ์ดีมากเขาเอามาเล่าให้ซูรุ้ฟังว่าผ้าผืานนั้นขายได้ราคาดีมากแค่ไหนอ๋ดีมากเลยที่รักตอนนี้ฉันจะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อกับข้าวอร่อยๆให้กับคุณกินนะ และพวกเขาก็หาเงินอย่างนั้นออกไปสักพักสรุจะเข้าไปอยู่ในนานห้าวันและฮิสชิก็จะรอคอยอยู่อย่างนั้นและทุกครั้งที่สรุออกมาเธอจะดูเหนื่อยมากขึ้นทุกครั้งวันหนึ่งเพื่อนของฮิสชิจากในตัวเมืองมาเยี่ยมเขาที่บ้านพวกเขาถามสารทุกสุขดิบกันภรรยาฉันเป็นคนที่สวยที่สุดเลยล่ะเพื่อนยากฉันอยากจะให้นายเจอเธอจริงๆ แต่ว่าเธอกำลังขงังตัวเองอยู่ในห้องอะไรนะทาไมละ่ะนี่พวกนายทะเละกันเหรอฮิสชิอธิบายให้เพื่อนฟังว่าซึรุทำอะไรแต่เพื่อนของเขาฟังแล้วก็ขบขันมันแปลกนะนายว่าไหมนายเป็นสามีของเธอแต่นายกลับไม่รู้ว่าทำไมเมียนายทำแบบนั้นที่แปลกกว่าก็คือนายไม่อยากจะหาคาตอบด้วยฉันเออฉันไปดีกว่า ฝากทักทายเมียที่มากความลับของนายด้วยนะบายหลังจากที่ฮิสชิได้ยินที่พื่อนเขาพูดเขาก็เริ่มกังวลมันเป็นเรื่องจริงที่เขาไม่เคยถามเมียของเขาเลยว่าทำไมเธอเข้าไปในห้องแบบนั้นซูรุไปเอาผ้าสวยๆพวกนี้มาจากไหนนะฉันต้องรู้ให้ได้เลยแต่ครั้งนี้เขาตัดสินใจที่จะแอบมองเข้าไปในห้องตอนนั้น สุรุเชื่อใจสามีเธอจึงไม่ล็อกประตูอีกต่อไปพอฮิสชิเปิดประตูเขาตกใจมากเขาไม่เห็นเมียคนสวยของเขาแต่เขาเห็นนกเกเรียนที่เขาเคยช่วยชีวิตเมื่อหลายเดือนก่อนนกน้อยที่น่าสงสารเด็ดคนที่ขาเรากับหี่มะออกมาทอให้กับเสื้อของเขาคุณสุรุคุณเคอนกเกเรียนอย่างงั้นเหรอฮิสชิทำไมทำไมคุณผิสัญญาที่ให้ไว้กับฉันล่ะคะ จากนั้นซืรุก็กระพือปีกแล้วหนีออกไปทางหน้าต่างไม่นะซืรุไม่ผมขอโทษซืรุฉันขอโทษที่ก็หกคุณที่รักแต่ฉันอยากขอบคุณที่คนช่วยชีวิตฉันในคืนนั้นฉันรักคุณจริงๆแต่ฉันอยากให้คุณเชื่อใจของฉันด้วยคะ่ะได้ปลอดอยู่กับผมนะผมจะไม่ทําผิดสัญญาอีกแต่ซืรุก็ได้บินขึ้นฟ้าไปแล้วไม่กลับมาอีก ใจสลายเขารักสุรุมากแล้วจากวันนั้นเขาก็จะไม่แต่งงานกับใครอีกเลยเขาจะเดินแล้วมองท้องฟ้ารอคอยให้เธอกลับมาแต่เธอไม่เคยกลับมาเลยเขาทำผิดสัญญากับสุรุและความเชื่อใจมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราเสียมันไปแล้วมันจะไม่มีวันกลับมาอีกถ้าให้กลับมามันก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเลย